วิธีลงตัชนียกรรมและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงลงตัชนียกรรมอย่างนี้คือเบื้องต้นพึงโจทย์พวกภิกษุนิสิตของพระปันดุกะและพระโลหิตกะครั้นแล้วให้ภิกษุเหล่านั้นให้การแล้วจึงปรับอาบัต ครั้นปรับอาบัตแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจตุธกรรมวาจาจว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าพวกภิกษุนิสิตของพระปันดุกะและพระโลหิตกะก่อความบาดหมางก่อความทะเละก่อความวิวาสก่อความอื้อเฉา ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ด้วยตนเองและพากันเข้าไปหาภิกษุพวกอื่นที่ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาสก่อความอื้อเฉาก่ออธิกรณ์ในสงฆ์แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุรูปนั้นอย่าได้เอาชนะพวกท่านท่านทั้งหลายจงโต้อตอบให้แข็งขันพวกท่านเป็นบัณฑิตกว่า ฉเฉลียวฉลาดกว่าเป็นพหูสูตรกว่าและสามารถกว่าภิกษุนั้นอย่ากลัวภิกษุนั้นแม้พวกกระผมจะคอยเป็นฝ่ายพวกท่านทําให้ความบาดหมางที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ขยายลูกรามออกไปถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงลงตัดชนียกรรมแก่พวกภิกษุ นิสิตของพระปันดุกะและพระโลหิตกะนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าพวกภิกษุนิสิตของพระปันดุกะและพระโลหิตกะก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อความอื้อเฉาก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ด้วยตนเอง และพากันเข้าไปหาภิกษุพวกอื่นที่ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อความอื้อเฉาก่ออธิกรณ์ในสงฆ์แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุรูปนั้นอย่าได้เอาชนะพวกท่านท่านทั้งหลายจงโต้ตอบให้แข็งขันพวกท่านเป็นบัณฑิต ก, กว่าเฉลียวฉลาดกว่าเป็นพะหูสูตรกว่า และสามารถกว่าภิกษุนั้นอย่ากลัวภิกษุนั้นแม้พวกกระผมจะคอยเป็นฝ่ายพวกท่านทําให้ความบาดหมางที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ขยายลูกลามออกไปสงลงตัชนียกรรมแก่พวกภิกษุนิสิตของพระปันดุกะและพระโลหิตะกะท่านรูปใดเห็นด้วยกับการลงตัชนียกรรมแก่พวกภิกษุ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 นิสิตของพระปันดุกะและพระโลหิตกะสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้